ในสนาพัยที่75ระกับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงคำในวันที่14กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่า10มีครู บอกภาษาอย่างดีฮะภาษาอีสานมันขึ้นภาษาไทยอยู่ฮะภาษาอีสานเท่าติมีพี่น้องทั้งภาคกลางมีบมไม่มี ม, มั้งเนาะมีแต่พวกพี่พน้องบ้านเฮ้ามาั้นี่ยวขนาดวา่าลงพอเบอกอยังจบลงไปแล้วจะมีการจะมีแจกหนังสือนะจะมีแจกหนังสือแล้วก็เอ็มพีสามในคูบาปันเตรียมไว้พร้อมไว้แล้วจะให แย่คณะท่าหยาดโยม้มเอาไปฟังแล้วก็ไปศึกษาเบิงที่หลวงพ่อว่าวในเอ็มพี่สเสียบใส่ในรถเวลาเดินทางไกลคันวอยู่ในบาทคันมีเครื่องฟังคฟังในบาทคันบอมีเครื่องฟังในบา น, น, า น, บานก็ไปในรถเสียบใส่ในรถเป็นมูไปเลยฟังลำ่ำแล้วก็บเบื่อฟังฟังเพง่งแล้วก็บเบื่อฟัง แล้วก็ฟังเทศหลวงพอบัณฑ์เอาหลวงพอบังที่ก็มีชาติรกมีนนท่านยุติหารพร้อมได้มีคติธรรมหลายๆอย่างคณะววะผู้ฟังแล้วจะได้รับเพศรับผลหลายๆอย่างแต่ว่าเสียงของหลวงพ่อนี่ยไเอ็พี่สมนี่ว่าเสียงดังฟังชัดนะว่ะเาเสียงดังฟังชัดนะเพราะว่า นี่แหละหลวงพ่อวนี่คือวอาเสียงไก่ไกไม้เลยคนายังเสียงเสียงจึงฉัดบคือเสียงของคู่บาอาจารย์เสียงคูบาอาจารย์พจนอัดเนี่ยพนเอาไว้ไกไกลสมัยหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงตานี่พนบ่ห้เอาไม้มากไก ไ, ไม่บ่ได้มากไกพุน่นะ อ, อยู่ต่างห้างต่งว่าสองสามว่าพุ่นอะโยกพระที่นั่งฟัง่งอยู่ท้งนาพุ่นอะบางที่พระนั่งฟั่งก็ตง สองสามว่าห่างจากเพินิบนบาแล้วเวลาเพิินเบาเนี่ยคัอมันก็เข่าไหม้มันก็เขา่เขาอยู่แต่มันบางที่มันเสียงยุ่งเสียงยุ่งบินต่อไหมนะ่ดังก็เสียงหลงตาวไนปะบางที่เขาพวกเข้าได้ยินได้ฟังนะุ๊กเพราะนั้นเสียงครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆหนะ่อยก็เลยเสียงบ่ค่อยดีเ <c oughs> พราะว่าเพลินวายเอาไมมเอาไมมเข้าไปไกล เวลาเพลินชีวนะเฮียามาหาหยงแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ต่อไปผ้าอภาคนาคณะเสียดายที่คู่บ่าจานบางองค์ที่เพลินเทศน์นาวาการอย่างสมัยหลวงตาคือกันหลวงตามหาบัวสมัยเพิิน เ, เสียงศาะใสสมัยเพลินเป็นนมมุมนะ เ, อนเอาไม้มาไกลเพี่ยนบัวแหย่เอาไม้มาเลยไปเอาม า, ยาเยอะมากจนพีกนกนานๆเปลี่ยน จนพุนอายุแกมากในช่วงช่วยชาติเพียอปุณอยากประกาศห่ข้นเสียงดังยังคอยเอาไม้ขมาาอัดเสียงเพล่มาช่วงหลังๆฮะ <c oughs> ะนั้นเอมเทพของหลวงตาเสียงก็เลยบ่ค่อยดีปนไหนหลวงพอวานะ่ะแต่เนื้อหาสาระธรรมานะโอ้เยี่ยมแต่คุ ม, มือนีหลวงพ่อเองก็บอกให้พระได้พระจำพรรษาอยู่ในวัดหลวงพ่อเนี่ยตง หาซบวชมาว่านอีกอง์นึงเป็น5 0ซเองอ์แล้วก็นเนี่ยในวัดของหลวงพ่อเนี่ยมีสถานีวิทยุยสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน1 0 7 2เจ h หเมกะเฮิรตรับเสียงจากดาวเที่ยมจากลงมาจากดาวเที่ยมลงมาทรงแล้วก็รับในสถานีวิทยุ ลอยเจ็คือของบ้านตาดนะบานตาดทรงขึ้นดาวเทียมซะกว่าไงพอทรงขึ้นดาวเทียมดาวเทียมกทรงลงมาลงห้าพวกเขากลับจากดาวเทียมก็ทรงในพื้นที่อำเภอหน้ายู่อำเภอนามโสมอำเภอบานเพืออำเภอสังคมแ ถ, แถบนี่สนาะมทนะีอำเภออำเภอสุวรรณคูหาอยู่ในละแวกนี่พราะนั้น เดี๋ยวนี้เขาเปิดฟังเลยสถานีวิทยุหลวงตาเนี่เสียงดังฟังชัดพอให้ดๆเพราะมันอยู่ไกลพออยู่ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยผลักกลางคลืนมาหลวงพ่อก็บอกพระเลยสื่อวิทยุให้ทูตเจ้าจะไปฟังเพลงฟังล่ำเนอเป็นพระให้ฟังเทศหลวงตาพ่อสองทุ่มแล้วไปเนยให้นั่งคัดสมาธิดีๆเลยค่ะเปิดเทปหลวงตาฟังสักกันหนึ่งมือละกัน เพื่อเป็นแน่วความคิดตีลงตาชีแนี่ยฉีน้ำจังใดให้พวกลูกหลานฟังเนอะหลวงพ่อในนํำก็คือส่วนหนึ่งเป็นการปู่ทางให้พวกเข้าประพฤติปฏิบัติแต่จิเินมองธรรมะเด็ดเดียวที่จะตัดกิเลสลาคะโทษสะโมหะจริงๆนะฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเนอะพาลูกพาหลานทั้งหลายเนอนี่และหลวงพ่อในน้ำเนกันไัธาญาติโยม พระเน้นลูกหลานน้องนองุงทั้งหลาย <c oughs> เออมื่อนีเป็นวันที่สิบี่กันยายนพุทธศักราชสอง8ห้ารอยห้าสิบปดเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อก็ได้ถามหลวงพ่อตุที่เป็นหัวหน้าคณะว่ามีวัดมากลายปนันญายุทไรให้ฟังจนหลงเรเริ่มออมาจากอำเภอสว่างอำเภอซองดาว พระคูบาตรจารย์น้องนุ้งทั้งหลายที่หลวงพ่อเห็นเลยก็เต็มอาจสงแล้วกัพี่น้องประชาติชนามาจากมากับคู่บาตรจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดติดตามคูบาตรจารย์มาเพื่อทัศนศึกษ า, เ, าเพื่อเรียนรู้ว่าวัดเท่าเป็นจังไรวัดเพิินเป็นจังไรแล้วก็เดี๋ยขึ้นไปวัดผู้ก่อนไปกราบพระ พุทธปฏิมาไปกราบหลวงพ่อชาลีแล้วก็ได้ลงมาหาหลวงพ่อกาบหลวงพ่อเนี่แหละวัดหลวงพอ่อห ม, มีแนวห ม, มีอ่อยังโชว์แสดงมีแต่ซาราลังนี้แหละเป็นซาราโบรานโบรานเป็นซาราไม่สั่งมากกว่า น, นละพอสอยุดตรงฐานพระประธานเนี่พวกห้าเบิงนะี่ยปีสอัาล้าลังนี่สังมากกว น, นี้หลายปีที่เดียว เกือบ30ปีแต่ก็ใช่เป็นทั้งโบสถ์พอมเป็นศาลาพอมที่ชั้นยังหันพอมหลายพอมและอยู่ๆศาลาน่ยจะพักพอแขกโค้นมานอนก็ได้แต่บวด์ถ้ำสังฆกรรมได้ทุกอย่างเพราะว่าเป็นเขตฟิสูงข้ามสิ ม, มาวัดศ า, าลาหลังนี้ถ้ำสังฆกรรมเดยทุกอย่างนี่แหละวัดของหลวงพ่อนี่ ลูกลานมาทัศนศึกษาก็มาเห็นเนี่ยมาอวดได้ปลานเนื้อทีพันสามรอยพันสามรอยหาสิไร่นะเป็นวัดของหลว ง, งพ่อนี่ป้าดงพงไพ่เข้าไปทั้งใน น, น้าแ น, นี่ยแต่ว่าพวกสัตว์สาราสิงยังมือเช่ามือว่านท่างเดินจงกรมของหลวงพอมีตนให้ใหญ่ตนหนึ่ง ยามืัเศารมากโอ้ทำไมเสียงบึวอึ๋ ว, ว, วเป็นบางล้วโอ้มีแต่นกเป่านะคนบรว้านคนพววเขา้าเคยอยู่ในป่าดลงเคยอยู่ยักมานกเป่านกเขาเป่านะโอ้หลายเป็นร้อยสองสามรอยตัวก็นะบินว่อนเลยโอ้นกมายังหลายอยู่ตัวเนี่ยว่ะนะนี่แหละมีทังกระหอกกระแตกระหอกกระหลายในวัดนะแต่พวกตองไม่เก่งก็มีนะ กระจงก็มีไกนะ่ภาษาบ้านเฮาไก่ก็มีฟ้านก็นมีแต่หมูป่าตะก่อนมีหลายหลายขักตะกอนหมูป่าไม่ตั้งสามทีหาหลอยตัวบานนี้เอาไปจับไปปล่อยถุงกระมังถุงกะมังใช่จะพุม่มแล้วก็ไปปล่อยผู้หลวงจังหวัดเลยเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่หมูตัวหนึ่งตัวหนึ่งบอกวิ่ ง, ง, งผ่านไปผ่านมาอย่ดีเป็นหมูตุ่มหูบังตัวบ้ากย่อยไม่มีหมูอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยนะ นอกนั่นก็นเี่ยแหละพวกลิ่ยงในหลายพวกลิ่งพวกค้างก็มีอยู่ข้างมันตายชะนีก็มีตัวหนึ่งบอกต่ก่อมมันก็หลายอยู่ะแต่คนก็ถามนะหลวงพอ่อหลวงพอ่อสัตว์นในวัดหลวงพอ่อเนี่ยอย่างหลายหลายก็โม้สัตว์ที่เข้าเห็นก็มีแต่ปวกกับหมวดกับนุ่งแล้วหลายหลวงพ่อวานะเอา้าเขาเถามว่าสัตว์ได้เมนวล่ะ สัตว์ในวัดหลวงพ่อในอย่าง้นหลายหลวงพ่อใช่แล้วหลวงพ่อก็เห็นติเห็นตะปว ก, กับหมดกับยุ่งเนี่ยมันไหลแต่ยุ่งก็ไหลไปะนะเดี๋ยวปวกระหมดมันไหลว่าหลวงพ่อวานะเ <c oughs> นี่นแหละเเบวให้ลูกหลานได้ฟังว่าสัตว์ในวัดแห่งของหลวงพ่อความเป็นมา ข, ของวัดนะให้ลูกหลานมัเบ่งทัศนะศึกษาวัดว่ า, าศาสนา นี่แกับบ่มีการบ่มีเด็ก่อสร้างไ อ, อ้ยังกับหลวงพ่อเองกับมิจะเน้นนักให้พระสงองค์เจ้าในวัดเนี่ยพระวนาของไผ่ของมันเออพระลูกพระล้านพอหลวงพอ่เ อ, อเห็นวัดต่างๆที่เป็นวัดคูบาอาจารย์ที่คุณหลวงพ่อเคยไปอยู่พึกพังพึ่งผ้าศัยเวลาคูบาอาจารย์ล่วงรับรับคันไปจุดตินิ้เราพาดไปแล้ว ลูกศิษย์ที่ผูมาอยู่แท่นน่ยอยู่สมัยคูบาดจานอยู่มี่ผ้าตั้งหกสิบเ็ดสิบปดสิบองค์บาดห้าเพิ่นไปแล้วไปจุดตินิรภัณฑไปแล้วยังแต่ลูกศิษย์นี่มีอยู่พระหาหกองมาเนี่จากสี่เห็ุอย่างไรกุฏิเล่านัดเสี ย, ยงเราเนี่ยเราลงพอกับคิดขึ้นกันเนี่ยสัตยาญาติโยมลูกหลานลงพอสี่สางยังลงพอกับคิดแล้วคิดอีกขึ้นกันย่านิมหาลงพอตายไปแล้วนะ ทเฮ็ดจังไดล่ะผู้ที่อยู่เป็นท่ายาตต่อไปพ่ายภาคนานที่รักษาไหวพอละ่ะขั้นวารักษาบ่อยเฮ็ดจังไดล่ะปานเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ที่โอ้ยบ่มีบุญวัดาสนาคือครูบาอาจารย์รักษาวัดว่าศาสนารักษาม่นรดบเพินก็พอได้สี่รักษาใดจังใดครูบาอาจารย์อยู่ผ่าเนื่นหลายบาดหาพวกเข้าอยู่มีพาหาพวกองถึงจะไปสอมไหว ให้ดีซ้อมไว้เหรอก็เฮ็ดยังไงล่ะผมมีผู้อยู่มั่นกับเป็นอาหารปวกอาหารหมดคือเก่าเอาไปมาแล้วทิมจะไหวจะดีกว่าเพราะเสียงกันอีกต่างหาก่ก็เลยถิมเสียของไปบ่น <c oughs> สัตยาห ญ, ญาติโยมก็ไปเบิ่งทางนั่นข้างนอกเพื่อการรักษาอายุแต่เขาไปเบิ่งทางนั่นโอ้มีแต่อาหารปวกอาหารหมดเนี่ยแหละเสียงเราเนี่หลวงพ่อที่เป็นหัวหนา้า ลุงพ่อก็ได้คิดคือกันไนดะ้สัตยทายญาติโยมเพราะนัะ้นหลุงพ่อเองขึ้นอย่าก็เลยบอยักสางทั้งท้าวอนวัตถุมากไอ้อตอไปผ้ภาคนาเออลูกหลานที่เฮ็ดยังค่อยว่ากันเนอะเดสมัยลุงพอ่อยู่นี่ยก็ลุงพ่อที่สางให้มีอยู่มีใส่เท่านั้นละ่ะคือกันคับหั่นตอหั่นแตนขันพ่อมันมีมากเออเอาตอออกไปขันมันเหลือขันน้ำว่าไอ้มีพาเน็ดมากขึ้นมากกับตอออก อ, อ, กอีกคือกันตอแต่ ทีแหลมันเห็ดหั่งที่แหลมมันเห็ดแม่ตัวเดียวต่อมามันมีใครมันม่มีลูกออกมาเลยมันก็ขยายออกไปเลยตอออกไปเลยพอหั่งมันใหญ่ขึ้นมามีตอแต่หลายตัวอันนี้ก็ลักษณะจังสันไหลวัดของหลวงพ่อนะคณะสัตยาญาณโง่มันคือบ่อยฟังทางด้านวัตถุทางด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนาเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอ่อเผลนวา ให้พวกพาลูกพาหลานท้งร้ายสัทญาิโยมทั้งร้ายอยู่ด้วยกันให้มีความรักเคารพกันเนอเพราะแมนปีตวกลังวลแต่ในยุคนี้สมัยนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเฮาเนีเ่ยเสด็จไปอยู่ที่เมืองมิถิลาเมืองมิถิลามหานครไปอยู่ในป่าป่าไผ่ อยู่ในป่าไผ่เป็นป่าละเมอะเป็นที่ประทับเขาจัดเป็นที่ประทับพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ในเมื่อเพื่อนไปประทับ ก, กับพระกิมพิระเป็นพระผู้ใหญ่เขามา ก, กาบพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระพุทธองค์ปรินีพานไปแล้วเนี่ยชีเหตุจังไดพุทธบริษัทซีนี่จึงจะเป็นพึกแผ่นแน่นหนา อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นพึกแผ่นแน่นหนาหรือเป็น อ, อยู่ด้วยความสงบสุขอย่างที่พระพุทธองค์ยังทรงประชนอยู่เนะ่ยโย่จังสีแ่แหะยิ่งจังใดจะเป็นจังสี่บอต่อไปพ่ายพางหนาพระพุทธเจ้าข่าจะทําจะมีท่ามอันใดที่จะทําให้พุทธบริษัทสีเป็นพึกแผ่นกลมเกลียวกันพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนกินพิล่า ถ้าว่าต่อไปพ้าิภาคหนาขนันหากว่าพวกท่านทั้งหลายมีการคาราวาฆราวะหาหายางคือเคาลบในพระพุท ธ, ธจเจ้าใครๆกับว่าพวกท่านทั้งหลายให้ข้าลบในพระพุทธจเจ้าบอกพระพุทธเจ้าเป็นผู่มีพระคุณเป็นตนศาสดาต้นพระพุทธศาสนาของเฮาให้เฮาพวกท่านทั้งหลายให้ความข้อลบ เชื่อถือในพระธรรมในพระพุทธเจ้าและเข้ารบในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้ารบในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าให้เข้ารบในการศึกษาการศึกษาคือต้องเรียนรู้ว่าพุทธศาสนาเป็นมาจังใดให้รบให้เคารพในการศึกษาให้เคารพ พระเถระที่มีอายุพรรษามากให้เคารพตามขั้นตอนให้เคารพซึ่งกันและกันอาวุโสพันเตอย่าไปก้าวไายกันถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้จักสูงรู้จักต่ำให้จกุกรู้จักสัมมาคารวะให้เคารพกันในพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เคารพในการศึกษาแล้วก็ให้เคารพในพระสงฆ์สาวก ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เคารพไปในพระพุทธเจ้าถ้าพวกท่านตั้งอยู่ในคาวะห้าอย่างนี้ศาสนาของเราตถาคตก็จะเป็นพึกแผ่นจะอยู่กับพวกท่านทั้งหลายนานเท่านานนีอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเพันตัดกับพระกิมพิระที่กุงมิทิลาให้พวกหักฟังเฮาฟังเอาไวา้การอยู่ด้วยกัน ให้เข้าลบผู้มีอายุพรรษาที่มากกว่าก็ถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์เล่าอ่อนน้อมทอมตนซะอย่าไปแข่งกระด่างแข่งกระด่างกระก็เท่านั่นแหละมันปกเป็นผลดีในการยู่ด้วยกันแล้วก็เข้าลบในการศึกษาให้เท่าศึกษาเบิงตำรับตำราในพระธรรมคำสอนพุทธประวัติปนว่าจังไรสาวกับ <c oughs> สวกประวัติปนว่าจังไร ในพระไตรปิฎกพจนสอนจังไดอันนี้เข้าศึกษาพอเข้าศึกษาแล้วก็จะรู้ได้ในเรื่องต่างๆในลักธ้ำค้าสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อว่าให้ศึกษาดเดผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทาความเห็นให้ถูกต้องได้ ขณะฟังจิตใจของเราได้รับฟังเหตุฟังผลได้ฟังหลักเหตุผลได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเจิตใจของเขาก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเพราะได้รับได้ฟังหลักเหตุผลอันนี้ที่ว่าอันนี้สงแหงการฟังแล้วก็ชุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเพื่อหเาได้ยินได้ฟังแล้วก็ เข้าจะเข้าใจในเรื่องต่างๆในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์พุทธประวัติสาวกประวัติและพระธรรมคําสอนที่สอนในหลายแง่หลายมุมครูบาอาจารย์เอามาบอกกล่าวในนําไห่ฮ่อฟัง่งอันนี้ว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนา จินตนาไขขค้วรทบทวนสิ่งที่ไดยินี่ในฝั่งมาแล้วนั่นขี่ค่ายดูดให้เข้าใจาการกลองไตรตองจินตนาการบังจินตามะยะปัญญาจะเกิดปัญญาขึ้นเมื่อไแล้วก็ภาวนามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อพนว่าให้จิตใจสงบสักก่อนเป็นเมื่อจิตใจเป็นสมาธิ เมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็เดินทางวิปัสสนาไเนี่ขี้คลายดูทางวิปัสสนาเกิดปัญญาที่แท้จริงตัดกิเลสลาคะโทษสะโมหะได้อย่างชัดเจนอันนี้เพินวาภาวนามยปัญญา เ, เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาส่วนสุตมยปัญญากับจินตามยปัญญายังเป็นปัญญาทางโลกอยู่ แต่ว่าภาวนามายปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาคือทํามจิตใจห้เป็นหนึ่งจิตใจสงบจากนั้นก็ทํามจิตใจที่ผ่านความสงบมันมาพิจารณาการกลองตรายตรองเบืองเหตุและผลในตัดกิเลสลาคะโทษสะโมหะได้เพราะเหตุไรเพราะผ่านความสงบมาแล้วนี่แหละสรุปแลกวก็คือต้องอาศัยการใดเงิ้ยนใดฟังการศึกษาเพราะนั้นขอให้พระ ลูกพานลานทั้งหลายฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่านี่ยฟังวิทยุขององค์หลวงตานี่ยเนี่ยเหมือกขึ้นองค์หลวงตามหาบวัวหลวงพ่อว่าเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนะถ้าฝ้า่ห้าฟั ง, ฟงดีๆเลวเป็นธรรมะที่ตัดกิเลสแต่ห้าฟังใหม่ๆเนี่ยมันก็บางเสียงบางอย่างมันก็ขวางออแต่ฟังให้ดีๆศึกษาให้ดีๆแต่เมื่อศึกษาดีแล้วห้าจงหูเแล้วโอ้หลวงตานี่พูดเป็นธรรม เรื่องตัดกิเลสไพ่แน่ใจของเข้าแท้ๆบ่มเม็นอย่างอื่น น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเข้าศึกษาแล้วก็พร้อมการนบะ่ขอให้พระลูกผ้านล้านทั้งหลายที่เป็นบวชไม่ใหญ่ที่หลั ง, นะลงนเนี่ยหลวงพ่อเนี่เป็นห่วงเป็นห่วงจังไรเป็นห่วงในสื่อต่างๆที่เขาบอกมากเขาเว่ามากมือวานมือก้อนหลวงพ่อก็ได้ญินมาจากพูนมาจากทั้ง ภากเหนือตอนล่างเขาม้าหาหลวงปอ้ผมบวชขามาก็เป็นวัดไงแต่บวชขามาแล้วพระในวัดเฮ็ดไปบอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยกินเหล่าอะไรมีหมดทุกอย่างหลวงปอผมเลยหมดชัดท่าเลยอันนี้ผมเว่าความจริงเพราะผมขอไปบวชผมไปอยู่ในหันที่แรกผมกเกิดชัดท่าสีสางยังพว ก, กสางซอยสาง แต่พ่อขอไปบวชแต่ผมก็ยังสางยุทธังสางวัตถุนี่สางพระพุทธรูปผมก่อนี่ผมก็อนสีสางพระพุทธรูปใหญ่ให้อ่าแล้วก็สางอย่างเขาควาแต่ว่าสำหรับผ่าเนี่ยเบิ่งแล้วออกนอกลูกนอกทางหลวงพอนี่แหละอันนี้หลวงพอ่อยิ่งเท่านั้นหลวงพอก็สะเทือนเขามากขึ้นเกินเพราะว่าเฮ้าอยู่ในยูนิฟ่ฟ้องนี่แมนบอลอายุในผ่าเหลืองผ่าหัวหล่นพรมเหลืองใช่ พ่อเขาเหวี่ยงสันเท้าก็จะเทือนเออนี่แหละที่ว่าพวกพระขี่มาบวชในพระพุทธศาสนาเขามาบวชจูกับพวกเข้าหน่อยบมเนที่ว่าเขาขี่ม้าเขารบนับถือเหลื่อมใส่ทีเดียวบอมเอนเน่เขามาเน่ยเขามาเบิงเขาเน่ก็มาเบิงพระในวัดเน่เขามาเบิงพระในวัดที่เขามาบวชเน่แต่ก่อนเขาก็เขารบนับถือเหลื่อมใส่แต่พ่อเขามาบวชเป็นยังไงแด อยู่ในศีลในถ้ำบ่ออยู่ในรักประทรบวินัยบอ่อสมอย่างทีเพิ่พนบ่เพิ่นปากเพิ่นคุย้ยออกไปบอ่อเนี่เขาขอมาเบิงท่าว่าเขามาเบิงเลยเออใช่เขามาดูเพิ่นปฏิบัตรริปฏิบัติชอบอิหลีตั้งสี่เขาก็เคาเ ข, าเขาบนับถือเลื่มใสปากต่อปากคํำต่อคําออกไปทางไดกันเน่ยนะเป็นกิตติทรัพย์ของวัดของเฮาสรุปแล้วพระธรรม ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเนี่ยคือถ้าเขาว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยลูกหลานอย่าไปกลัวอดอบอ่อต้องกลัวเ ท, ท, ทวดามนุษย์บ่เห็นเทวดาก็จะเห็นเออเทวดาทีบอกเออมนุษย์ได้ยไปทำบุนกนะู้บาอาจารย์เป็นอดพันขาด อยากเนออาหารปอพ่อฉันเนอเพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนอะจะได้บุญหลายเนอะนี่เทวดาเขาปฏิบอกมนุษย์ให้มาทําบุญเพราะนั้นเพิ่นว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายอยู่ในกรอบในชิดในธร้ำสมกัเข้าเป็นศักยบุตรพุทธชินโนรถเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าค่ะอ่ะ เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าตั้งที่เข้าเป็นลูกไผก็บรรูปแต่พ่อเขามาอยู่ในี่อยู่ในฟอ้องนี่วนไปปงผมใส่ปากกาเสวพัดเนี่ยพระพุทธเจ้ารับว่าเป็นลูกของเพิินเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของเล่านี่แหละพวกเข้าเมื่อเข้ามาเป็นบุตรของเพลินเข้าต้องเบิ้งเจ้าของได้บาดเนี่ยเข้าจะเป็นบุตรเกเรบ่ะเงือเป็นบุตรนอกขอก เล่าเข้าจะเป็นบุตจังใดเป็นบุตพราะพุทธเจ้าเป็นบุตรที่ดีบอกตามไม่จริงกรนดาจะเป็นบุตที่ดีบุตที่ดีกับยู่ในรักพระธรรมวินัยสำร่วมกายว่าใจาใจของเข้าสิ่งใดที่มั่นบ่ดีอยาเหต ย, ยาทำในสิ่งนั่นทำแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีเนื่เมื่อเข้าทำดีแล้วนะความดีจะเข้ามาสนองพวกเข้าพวกเข้าจะมีแต่ความสุขความ เย็นใจเมื่อเข้าบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาอันนี้คือการเป็นอยู่ของพระน้าลูกหลานเนออย่าไปสั้นดินสั้นโรดจะไปกระโดดโลดเต้นอยู่แบบพระเนี่ยแหลรักษากายว่าใจของเข้านี่แหละต่อไปไงคืนมาเนี่ยนะเป็นลักเป็นกดเป็นเกณฑ์ระบาดเนี่ยเป็นคู่บาอาจารย์เป็นผู้สืบทอดจากหลวงพ่อน่ยลงไปนะหลวงพ่อเคสิจอยู่ได้สักปีเดี๋ยวนี้ก็เจอแล้วนะลูกหลานพระเนี่ยลูกหลานเนี่เจ็ดสิบปปีก็มด ที่ผ่าปีนอาจจะเศร้าวาแล้วก็ได้อาจจะบอดถึงก็ได้นะ เ, เดี๋ยวนี้ก็ว่อดไปกับเมือยไปนํั่มแต่ก็ะเพาะวาวได้ยกแสดงความคิดเห็นไปต่อไปผ้าอีพากนาเนี่ยนะลูกหลานมื่อนี่แหะจะเป็นผู้สืบทอดต่อจากลงพ่อลงไปลูกหลานเท่านี้แหละเป็นผู้สืบทอดเขาให้สืบทอดไปในทางที่ดีที่นี่แนวดีใด่มันดีพอแม่กู้บายจานผ้าดําเนินจังใด หลวงปู่หลวงตาเข้าผ้าดําเนินจังไรให้เดินตามแนวแถวของพ่อแม่คูบาอาจารย์พวกเข้าหลวงปู่มันต้นตระกูลของพวกเข้าจากนั้นก็หลวงปู่มันหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฝันหลวงปู่เทศหลวงปู่สิงห์ท่องหลวงปู่ต่างๆโยมเพื่อสว่างของเขานี่หลวงปู่วันแม่นมัดที่คูบาอาจารย์ที่เป็นกฏเป็นเกณฑ์ให้เข้าศึกษาประวัติของเพิินน่ะอันนี้ก็คือพระ ลูกหลานทั้งหลายให้เดินตามแนวแถวสําหรับพี่น้องประชาชนผ อ, องพวกเข้าคือกันเข้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่คู่บาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ที่ครูมีครูมีศิษย์ที่มีครู เ, เป็นมี่คู่บาอาจารย์ได้นําสั่งสอนมาตั้งแต่พ่อแม่ปุยยาตายายของพวกเข้าพวกเข้ากัน่าจะเบิง้งพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเข้าเพิ่นสอนจังไรสอนให้พวกเขามี ท่นเนออให้ทำหมุนทำท่าน น, น, น, นี่ยอันนี้คือชีวิตของขราวัตญาตโ ย, ยมอันนี้สงท่านไงเออโมเมนธรรมดาพระพุทธเจ้าเพนว่าที่คนข้าเข้าทั้งหลายว่าเข้าเป็นกษัตริย์เข้าเป็นพระพุทธเจ้าโเามเมนเพราะอันนี้สงท่านของเข้าในอดีตชาติฮะของเขาในอดีตชาตินี่แหละ เป่าปเกิดไม่พบใดชาติใดเพราะอเนกสงท่านของเห่านี่เกื้อกูลหนุนเห่าไปใสบ๊อดบอยาเพราะอเนกสงท่านของเราตถาคตบรมย์อย่างอื่นนี่แหละผู้ผูผถ้ำหมุนทําท่า น, เ, นเกิดมาพบใดชาติใดจิบบเป็นผู้บ๊อดบอยาเพราะว่าการทําท่านการท่านมีอยู่หลายอย่างเนี่ย อ, อามิชท่านคือขันไห้อามิจตุปปัจจัยปัจจัยสี เนี่ยวะอามิส h าท่านอาภัยท่านก็คือเขามาล่วงเกินเห่ามาดาเห่ามาหนั่นเห่าแต่เขาขอโทษเห่าก็ยินดีให้อภัยเขาอย่างลงพอเนี่ยเออยินดีให้อภัยอ้โหสีกรรมให้ลูกให้หลานทั้งหลายเนอบ่ที่พอ ถ, ถือโทษโกรธเคืองให้พวกท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญอันนี้เลยวะอาภัยยาท่านาวิทยาท่าน จะคือให้ความรู้ความรู้เขาดอยกวา่าเฮ้าเฮ้ากับไฮวิทยาท่านกับเขาสอนวิชาความรู้ให้เขาวิธีขับรถวิธีตัดผมวิธีเย็บผ้าวิธีทำมหาเลี้ยงชีพเนี่ยอันนี้เป็นวิทยาท่านแล้วก็ทำรรมท่านธรรมท่านกับยังหลวงพอ่อไฮไปเนี่ยนะเป็นคารวะกับไฮได้รรมท่านห่อรูเอียงเขากับสอน ลูกหลานน่องนงทางหลายให้หูจักศีลหูจักถ้ำเน้เอพวกเขาเนา้ออย่าประมาทเน้อนี่ชีวิตของเขามบอมเมนที่อยู่ลอยปีได้ต่างคนก็ต่างอีกสักมือหนึ่งสีต่างคนต่างไปอยู่แล้วให้ประกอบคุณงามความดีเนะ้อพวกเขาเน้อนี่อันนี้เลยว่ะทำมาทา่านี่แหละท่านบอมเมนที่หายตะขขาน้ําโภชนะอาหารอย่างเดียวเลยมันมีท่านมอยู่สี่อย่างที่ลงพอเลี่ยงลํารับอำนาจอามิชทาน วิทยาทานอภัยทานธรรมทานนี yeah. ่อันนี้ก็คือท่านศีลรักษากายว่าจะให้เรียบร้อย uh, คือศีลของคารวะเนี่ยถึงจะเข้ารักษาศีลบ่ได้แต่เขาก็เชิดชูบูชาวศีลของพระพุทธเจ้าเพันวะพระพุทธเจ้าพันตรัสว่าศีลหานี่เป็นศีลคุ้มคล้องโลก uh, ผู้ใดรักษาศีลหานี่บ่ตกนรก จะพอไปเกิดเป็นเปรตจะพอไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านั้นผู้มีศีลหาออกจนะกนั่งไปสู่สวรรค์ศีลหาเนี่เป็นศีลของพระโสดาบันเป็นศีลอัตโนมัติถ้าว่าพระโสดาบันได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วผู้นั้นจะมีศีลหาโดยอัตโนมัติเพะต้องรักษาก็คือศีลหานีอันนี้ก็คือศีลของพระโสดาบันศีลหาเนี่คื อ, อยังพระพุทธเจ้าพ้นบรรยายนให้ฟัง อศีลหักคือหนึ่งอย่าไปขากันอย่าไปคิดขากันเอถ้าเฮ้าไปข่าเขาแม้เฮ้าไปข่าคนอื่นเฮ้ามีรู้สึกในความรู้ความรู้สึกหนึกคิดที่เฮ้าไปข่าเขานะเขาหนึกคิดจังใดในเฮ้าไปข่าแต่เขามาข่าเฮ้าระบาดแต่เมื่อเขามาข่าเฮ้าเฮามีความรู้สึกจังใดในเมื่อเขามาข่าเฮ้าข่าพี่ข่าน้องข่าพ่อข่าแม่ข่าลูกข่าเมียของเฮ้าเอเฮ้าเสียใจบ่เสียใจเอ ในเมื่อเขาไปคาเขาล่ะเขาเสียใจบอกเขาก็คงจะเสียใจคือกันกระเพ้านี่ยอันนี้แหละคือสินหาขอที่หนึ่งขอที่สองอาทิหน้าท่านเอออย่าไปขโมยผู้อื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเฮ้าเฮ้าก็เสียใจเสียความรู้สึกถ้ามาเข้าไปขโมยของเขาล่ะอขโมยรถขโมยสร้างหมากง้อควายขโมยเพ็ดนิ่งจีนดาขโมยเงินเฮ้าก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเฮ้าถ้าเขาไปเข้าขโมยของเขาล่ะ เขาก็เสียใจคือกันนี่แหละพอนัญญาขาโมย้ยให้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันแขคอที่สามกาเมสุมิตรฉานจาลาเวลมานีสามีภรรยาลูกหลานของผู้ใดไผ่ไข่ก็หักไผก็หักของไผ่ของมันลูกเมียลูกหลานของเห่าเห่าก็าหักเขาเขาก็าหักคือกันเพราอนั้นอย่าไปทํากระชากลากถูพิษประเพณีทําให้เขาเสียใจ ถ้าเขามาทำขับกรบเพ้าเขาก็เสียใจคือกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันปุถุธเจ้าบอกอย่างสัน้นเลอข้อที่สีหมุสาว่าธาเวรมานี่อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกล่วงคนอื่นเขาไปโกหกเอาเงินเขาสอหลอกล่วงเขาสต้มตุนเขาสิเมื่อเขาเขาก็เสียใจแตามา่เขามาทำกระเพ้าคือกัน เฮ้เอาก้อนขีหเห็นเหลื่อมๆมานมาขายบเล็กไหลเข้าหลงเสื้อซื่อเขาเอเป็นเมือนเป็นแสนพอสื่อขึอ้นมาโอ้ยไม่เกี่ยก้อนขีหเห็นป่อเอ้เข้าเสียใจมาเสียใจหลังเธอเขาตะกร้วมายอมเป็นท่อ ง, งเลยเข้ากับบ่กหุจักห ม, มุบมับมุบมับมาสื่ อ, อพ่อแล้วพ่อไปแล้วไม่แม้ก้อนตะกวร้อเข้าเสียใจบ๋เสียใจเข้าจ่ายเงินไปหลายแล้วนี่แหละอันนี้แหละคือว่าการต้มตุนโกหกหลอกลวงกัน เมื่อเข้าถือจังสันเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขาถือเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเปินเป็นถ้ำมาธิปไตยประชาติปไตยเปินบอกว่าอย่าโกหกต้มตุนหลอกลวงกันเนะ้อนี่แหละสรุปเราคือสินหาของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อื่นอยู่ไก่นะอปีนองลูกหลานจะท่าญาติโยมนะ้เขาเราเขาเราเขาเร า, า, เราในเมื่อเข้าไปถ้ำกับเขาเขาเสียใจ ในเมื่อเขามาทำกับเฮาเฮาก็เสียใจเพราะนั่นให้เขารบสิทธ์ซึ่งกันและกันเนะ้อการยูด้วยกันผลว่าจังสันเน้เพราะนั้นให้ฟั่งพวกเฮาฟัางเอาไวนะ้เน้อนี่ยสินหาของพระโพธเจ้าสินชีนะสินขอที่หาบัดเน้อขอที่หานื้สุราเมลัยะมัชชะปามาเน้อการเดิมสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้ในพันศาหลวงพ่อนี่บอกกับศรัทธา ญ, ญาติโยมนะ กันว่าพวกเข้านะ่ะปีนาเนะ่คันปีนี้บริตต่างจิตอธิษฐนะานนะปีนาเนี่ยปีหาสอนะงพันหารอยห้าสิบเก้าเนี่ยผู้ขายอย่างย่างนี่หลงพร อ, อินพเพิรนวอเลยเรื่องสูล่าเมรยาเนะี่ยผลว่าหางดในพันษาเนีข้าพเจ้าจะงดละเออพอได้ฟังพเพิรนวลเออเป็นโทษเออเป็นเชีงทีบอดีสิ้นหาหนึ่งคืออย่างลงพอเลยเปรียบเทียบครับพี่น้องประชาชนชัดท่ายาดโยมวาน ศินข้อที่ห้านี่สุราเมรยะมัชฌะปม่าการดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเม่่ก็คือเบียสุราเมรยะมัชฌะปม่าข้าพเจ้าจะบอดื่มของสุราและเม่่ไลขั้นชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายาหมาโคเคนมีมากม่เดืวยนะี่ยถึงจะเป็นอย่างก็ตามที่โบนมีสื่อบ่กมีสื่อก็าตาม ถ้าเฮาเสพดื่มเกินเข้าไปในข้อของเฮาแล้วทําให้เฮาขาดจิตในเมื่อขาดจินั้นน่ะจะเป็นซื้อบ่มิซื้อก็ตามผิดทั้งหมดเนีเพราะดื่มของมึนเมาทําทให้ขาดจิตในเมื่อค้นขาดจิตแล้วมันทําความซัวได้ทุกอย่างได้บ่าเนี่ยทําความชั่วได้ทุกอย่า ง, มามางเมื่อค้นขาดจิตแล้วขาดการยับยัง้งคาภัยก็ได้ เออขาลูกขาดเมียไปก็ได้ขาดเมียเจ้าของก็ได้เพราะขาดสติเลยโมยจักสูงบมจักต่ำโมจักจิงควนบกข่วนมันขาดสติขโมยไปก็กกได้ลาลาบละหลวงสามีภรรยาลูกหลานไปก็ได้โกหกไปก็ได้เพราะอะเพราะมันขาดสติเนีหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบศีลข้อที่หานี่ลูกหลานคณะจัดท่าญาติโยมยามองขามเนอะข้นติดติดโคกมากมา ก, มากต่อมากเรื่องเราข้นที ออกจากข้าราชการมาโดยการเมามากต่อมากลวดทําการทําความชั่วติดคุกติดตะล่างเรื่องเหล่ามากต่อมากแต่ไปด่าผู้อื่นโดยที่บูชักสูงบ่ชักตามพอเมาด่าผู้อื่นติดคุกปรับไหมใส่ถุตมากต่อมากออพอค้นขาดสติเพราะนั้นอย่าไปใกล้อย่าไปกล่ำไปไกลจะดีที่ชดพวกเข้าเป็นพุทธศาสนิกชนทัาลุงพอเขาเลยเปรียบเทียบว่า สินขอที่หานี่คือกันกับนี่แหละซาล่าลังทีบพวกเข้านั่งอยู่เดี่ยวนี่แหละคือกันเครือบเครื่องมุ่งกับเบื้องที่มุ่งลังค่านี่นี่แหละกับเบื้องมุ่งลังค่าสังกสีมุ่งลังค่าคานว่าซาล่าลังนี่บ่มีกระเบื้องมุง่งบ่มีสังกสีมุง่งแดดออกมากกับเปียงเข้าอยู่บ่ใดนั่งกลางแจ้งฝนตกมากกอยู่บ่ใดเพราะเหตุใดเพราะว่า ฝนตกมันเปียกเสียหายมัดในสาราลังนี่อันนี้คือกันคนขนเฮ้าคนหนึ่งเนี่ยถ้าขาดสติสยางเดียวเท่านั้นล่ะจึงจะมังมีสีสุกเงื่อนลอยล้านพันล้านก็เถอะถ้าเป็นบ้าสยามเดียวเท่านั้นอิตาหนันเป็นบ้าได้ย่าย่เนี่เป็นบ้านี่ยไอ้ว่าวโวยจักรู้เรื่องนะ่ยเงื่อนที่หามาได้มากไหมมห า, าศาลเนี่ยเสียหายมดขาดความเสื่อถืออีกต่างหากเพราะอะไลเพราะคนนั้นเป็นบ้า อันนี้คือกานพวกเข้าอยากจะเป็นยังสั้นบอ่อทเป็นโั่วขัง้งโั่ข้าวถึ้งจะเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยกบนาจะเป็นจังสั้นเพราะเหตุใดเพราะคนขี่เม้าแล้วมันเป็นยังไงขาดจะตีแล้วมันบนาเบิ้งมันบนาดูถ้าไม่เสียหายเสียบุก ค, คลิกอีกต่างหากวันนั้นจริงทั้งหลายเรงทั้งปวงเรานี่ยลงพ่อว่าให้ฟังสี่แจงให้ฟังให้ลูกหลานผู้บูกเคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ยังได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังฮนะ ให้พวกหลานลูกหลานอย่างนี้ในฟัง่งพ่อฟั่งไปแล้วนะให้พวกเข้าสังเกตนําไปคิดนําไปพิจารณาการกรองใต้ต่องต่อเติมอีกแมนบอลที่หลวงพอบอให้ฟั่งเนี่ยมันแมนบอลถ้ามันแมนเออใช่แมนมีเป็นมีเหตุมีผลจริงออตั้งแต่บัตรนี่เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะงดละออข้าพระเจ้าจะรักษาสินหาขาพระเจ้าจะรักงดสุราโดยเด็ดขาด แต่โดยเฉพาะย่างยิ่งหลวงพ่อว่าถ่าว่ามีเข้ามีดฐานะอพ่อเป็นไปได้หลวงพ่อว่าเนี่ย เ, เรื่องสินหาเนี่ยกระเจ้าควรจะมีนะพ่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขาขอมอบให้ลูกให้ล้านของเข้าเหตโตไปซะอืมตไปนี่ ก, กับเข้าควรจะมีสินหาย่างโย่มพอของหลวงพ่อเนี่ยบริวารกีอวดพวกเข้าฟัางเลยอายุพุทธเอาสามสิบป่าปีย่มพอหลวงพอ่อเป็นสามาตราสินหา รักษาสีนหามาตลอดเลยจนอายุเก้าสิบผ่าเก้ปีผู้เฒ่ายังได้ตายมรณะลงไปนี่แหละอันนี้พวกเข้าทั้งหลายคือนกันลงพอวานพ่อลูกมีฐานะขึ้นมากเลยมันก็นมีแต่เรื่องเดียวเรื่องหาใสปากใสทองเรื่องคาซัดตัดชีวิตเน้ออื่นเท่ากับมีอยู่แล้วนะเรื่องเหล่าเทากับงดซะอย่างที่ลงพรวีบอกอันนี้แหละแต่ว่าถางถางทา ง, ทา ง, ทางไปสู่สวรรค์ เออเข้าปิดทางนรกทางทา ง, ทางไปสู่สวนหาท่างทางทางไปสู่หมักสู่ผลพอเข้าแก่แล้วเดชจะไปหางมง่มเศร้าเศ้ายังก็ะดอกกรเดียดั้นมัติลุ่ยมักระลุ่ยมั่พอแห้งแล้วละถึงมัติจนก็คือจะโบจนกว่านี้ตอนนี้ไปผู้ข่าจะหาศีลธรรมคุณธรรมหาสวรรค์นิพพานเขาสู้จิตเ ข, ขาสู้ใจของขาพระเจ้าแมัน่า จ, จะคิดอย่างสั้นนะคณะทธาญาติโ ย, ยมลูกหลานเนาะ คิดตรงโน้นที่ลงพอเว่านี่นะนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องศีลแต่เรื่องภาวนาวาเนึ่ยเรื่องภาวนาดิว่าแมนเดพระอย่างเดียวไดว้ภาวนาสัตยาญาติโยมไก่ภาวนาได้คือกันพระคารว า, าติยมในขังพระโทธเจา้าพ่อตอนแร้งมาเนี่ถือดอกไม้ถูกเทียนไปฟังธรรมเทศนาของพระโพธเจ้าเขาวัดป่าเชิดตะวันมหาวิหารเนี่ยลางหลเข้าไปพระโพธิเจ้าก็แสดงถ้ำให้ฟัง สแสดงว่าถาไม่ฟั่งแต่ละขั้งฟั่งขั้งนี่ยังบงเบาใจฟั่งขั้งนาเลยจนได้สําเร็จเป็นพระอริยะุกคลพระโสดาบันสกทาฆ่าอน้าค่ามากต่อมากในขั้งพระพุทธเจ้าพระโสดาบันเป็นครวัตรญาติโยมแลว้วก็เป็นเป้าผู้ใดที่ได้สำเร็จจะได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลก็ออกบวชอีกเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็มากอีกที่จะฟั่งพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า พรอะนัานเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติเป็นนาทีของพุทธบริษัทยังพวกเขานี่แหละ เ, เดี๋ยวนี้เข้าเฮ็ดจังได้อย่างพ่อแม่คู่บาอาจารย์สำหรับขราวาตหญาิโยมเ่ามยเหมือแรงมากห อ, องว่างหรือว่าวันพระวันเจ้าคันทำปกติมันต้องหาเวลาว่างแต่ละมืดเอาตื่นขึ้นมา ก, ก็นั่งภาวนา แอรสักหานาทีสิบนาทียี่สิบสามสนาทีกําหนดล่มหายใจเข่าหายใจออกก่อนที่นั่งสมาธิเนี่ยเข้านั่งอยู่ในบ้านเข้าก็ไดหม่องนั่เข้าก็ะไดก่อนเขาชินังเข้ากักราบพระซะก่อนกราบพระนึกกราบยังคือกราบนึกในใจพระพุทธเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งคือกินกับนี่แหละเสียงสถานีวิทยุที่หลวงพ่อยู่นี่แหละเปิดเด่นเด่นกับดิ้นเด่นนี่แหละคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูงก็คือคืนวิทยุนั่นแหะ อยู่ทุกอนุของโลกพอเนัินเท่าเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเท่าหลักขอมั่าในใจเ้าวกกระลาพูดโทราบธรรมโมกาบสังโฆพอกราบเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาต่อถ่ายสักหน่อยก็ได้ข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขขาไปเจ้าต้องการความสุขจังไรผู้อื่นชัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ขาไปเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าไปเจ้าปราธนาทุกๆดวงใจทุกทุกๆวิญญาณโดยเทินอันนี้ก็คือห้องแผ่เมตตาเป็นภาษาใจของเหอาจาะนั่งก็ น, นั่งแล้วปะเนี่ยจะนั่งพับเพียกไปได้นั่งคัดสมาธิก็ได้พ่อนั่งเสร็จเรียบร้อยเลยเด็เลยปัณนมเมื่อขึ้นระวางอกนะประนมเมื่อขึ้นไหวพระพุทธเจ้าเพรอว่าเห่านัง่งภาวนาบรมเณรผู้ไรผู้หนึ่งสอนเด็คือทําคําสอนของพระพุทธเจ้าคือ พระพุทธเจ้าพันสอนจังส่เป็นพระธรรมคัมภีรของเพิระพระนัเข้าจึงไหวพระพุทธเจ้าพุทโธคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นผู้คิดค้นเรื่องภรวนาเนี่ยทำโมคือพระธรมคัมภีรของพระพุทธเจ้าพันสอนประกาศออกมาสังโคคือประสง์สาวอกในน้ำธรรมคัมภีรของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่บอกกล่าวให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษา เฮาจึงไหวคู่สก่อนครู่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อไหวคู่สามจบแล้วก็เอามือลงแล้วไปพ่อมือล่งก็กำหนดลมหายใจเขา่าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทษอันนี้คือหลวงปูหมันต้นตระกูลของเฮาเพิ่นบอกว่าถ้ากำหนดลมหายใจยังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระเดชทัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เงาต้นโพ่โค่นตนโพ่อเนีน่เนะพิ่นมืเดือนหกเพ่น เพิ่นกำหนดลมหายใจเขา่ารู่วหายใจเขา่าหายใจออกรู่วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกหลวงปูหมันเพิ่นวาพวกเขาเนี่กำหนดลมหายใจเขา่าหายใจออกสื่อนมันหลุดง่ายมันหลงง่ายมันลืมง่ายมันหลงสนง่ายให้สำทับกับพุทธโธขอเน่าลูกหลานเน่าหายใจเข่าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโธ เออนี่หละลงตามหาบัวพันว่าโอ้โหได้ผลเอพันย่อมหลับเอ่อตกอนพนกักำหนดล่มหายใจยังพระพุทธเจ้าพันวันื้ง่ายอิริบานนี้พนก็เลยบริกรรมพด ท, ทแนวแน่วแถวที่หลวงปู่หมันสอนเออบริกรรมพด ท, ท้พด ท, ท้อโทพ ท, โทจนจิตใจเข้าสู่ความสงบอะบานเนีเออจิตใจของข้าจะเข้าสู่ความสงบได้บานนิ่งอะไรบานเนี้นมีสติสัมปะชัญญะอยู่กับเจ้าของนี่ เอจะพูดจะทำจะคิดอะไรมีสติฮเป็นการฝึกสติกับเจ้าของบริกรรมพุทธโธเนี่ยจากนั้นพ่อจิตใจสงบลงไปแล้วจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วป่ะเนี่ยจะหู้จักเจ้าของได้บางเนี่ยจะเห็นเลยว่าร่างกายของของเขานี่ยเป็นอันนึงจิตใจของเขานี่เป็นอันหนึ่ ง, ง, านนงกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเลยบาดเห็นชั ด, ดเลยลูกหลานนี่ยนี่แหละพลวัตตายแล้วเกิดเลยตายแล้วสูนเ่ย ร่างกายเนี่ยตายแท้ๆวันลงไปเอาไปเผาไฟทิมแท้ๆแต่ว่าจิตใจไอ้ตัวหน้ามาถ้ำเนี่ยพอตายเลยไอ้ออกจากร่างนี่ไปหาเกิดอีกแล้ปานเนี่นี่แหละพูดว่าให้สร้างบุญสางกุศลให้มาสร้างเขามาสู่จิตใจว่าม่นสางหายกายเนี่ยกายเนี่ยเป็นผลเป็นผลพ้อยได้ซื่อๆวนไปเอ่ ย, ยังว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระยังตรัสว่านะเป็นบาลีพูดว่ามาโนปุพังคัมมาธรร ม, มา มโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจหลวงพอก็เลยมาว่าวให้พวกเห้าฟังง่ายๆนตัวของเ้ามีสองอย่างรูปประทับคือร่างกายใจมัใจของเ้าเนี่คือมโ น, โนคือใจคือโซ่เฟอรถงลดร่างกายคือการขับรถนะลูกหลานนะเน่าแต่วจิตใจนึง จิตใจก็คือโซเฟอร์ลดโซเฟอร์รถนี่แหะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญโซเฟอร์ลดมากกว่าลดพนญาวหาหิว่ามโนโปุพังคามาธรร ม, มามโนเสถามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ลถขันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหนา้าสําเร็จแล้วโดยโซเฟอร์ฮะเบอกจังสันก็บรนดาจะบพิษคือกันเพระเหตุใดเพราะนั้นโซเฟอร์สมควรยิ่งจงได้รับ การอบรมได้รับการศึกษาที่ดีถาว่าโซเฟอร์เกเลโซเฟอร์เป็นนักเลงหัวไม้โซเฟอร์เป็นคนบอดีนะมากขับรถคันนี้พ่อโซเฟอร์กินเหล่าเมาเน่ยรถคันนี้มันกับเป๊ะายเป๊ะขวาขึ้นกันได้เพราะอหไรเพราะว่าโซเฟอร์เมาเหล่าเนี่ก็คือกันเพราะนั้นไห้เมื่อเข้าพระวนาเข้าไปจิตใจของเขาสงบเป็นหนึ่งเลยเข้าจะหูได้ด้วยตนเองว่าโอ้ใจของเขานี่ ตัวนี่เองที่พระพุทธเจ้าพันว่าตายแล้วบ่อสูญตายแล้วไปเกิดอีกเป็นสัตย์ที่ไรชานไปตกนรกเป็น เ, เป็นอย่างไดมัดพระพุทธเจ้าพันว่าพันตรัสวังสันพ่อในขึ้นขึ้นวันเดือนหกเพ่นนะที่เปิลพาวนาตอนหัวคนะําน่ยเปิล น, นางภาวนาจิตร่วมสงบลงไปหนึ่งเปิลว่าปุปเพนิวาสานุจติยานะระลึกชาติทุนหลังได้เปิละระลึกชาติทุนหลังว่าตายแล้วบ่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเด้อ พอถึงเทียงขึ้นไปเนี่ยเปิ่นเบิงเบิงทางนอกมันนี่ยเบิงขู่ค้นทางนอกเบิงดวงวิญญาณทางนอกอย่างหลงพอนางอยเบิงพวกพระลูกพระล้านเบิงพวกคณะสัทธาอยู่ถ้าเป็นอยังบกคืดกันเป็นคนคือกันเป็นอยังบกคืดกันตาบกคืดกันเฉลียวฉลาดบกคือกันความสวยงามบกคือกันมังมีสีสุกบกคืดกันอาการร่างกายพิกลพิการมีความทุกข์บกคือกันอีก เป็นอย่างมันบวก ค, คือกันเกิดมากคืดกันพระพุทธเจ้าผลม่องลงไปว่าเป็นอย่างมันยาบวก ค, คือกันผนว่ากรรมกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายกรรมจําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมากแตกแตกต่างกันการทํากรรมทําได้สามทางผลมาพระพุทธเจ้าผลม่องได้ป่านการทํากรรมทําได้สามทางมโนกรรมคือคิดบด่ดีหรือคิดดีถ้าคิดดีเนี่เป็นกุศ ล, ลกรรม ถ้าคิดชั่วนเป็นอกุศลกรรมถ้าท้ำชั่วเป็นอักุศลกรรมถ้าท้ำดีเป็นกุศลกรรมท่าพูดดีเป็นกุศลกรรมถ้าพูดชั่วเป็นดาเขาแย่งเขาเนี่เป็นอกุศลกรรมนี่การทำกรรมท้ำได้สามท่าคือมโนกรรมกา ย, ยกรรมวจีกรรมแต่ว่าผลของกรรมมีสองคือมะพร้าวสองนอออกมาจากจากการกระทำของเฮา เพราะนั้นเพลินบอกว่าอักกระตังดุกขตังเส้ยโยปัชชาตาปฏิดุกขตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อพวกเราทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะพวกที่เจ้าเพินเบิงเบิงเบิงทรรพสัตธ์ทั้งหลายเบิงพวกเฮ้าทั้งหลายเพราะว่ากรรมคือการกระทําของพวกเฮ้านี่ ถ้าเฮาเหตุกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลถ้าเฮาเหตุกรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลกรรมดีให้ผลคืออย่างตายจากชาตินี้มาเกิดมาเกิดเปิดเป็นมนุษย์หรือเฮาจะไปใสหรือเฮาจะไปสวรรค์ชัน้นใดอใครว่าเมื่อเฮามาท้ำบุญยังสิละ่ะเฮาก็มีบุญเดมีบุญคือคนมีบุญคือดวงใจมีบุญก็คือดวงดวงใจที่มีเงินอพอเฮาทำดีดเนี่อคือมีเงินก็คนที่ตายไปแล้วคือกันกับ ออกจากประเทศไทยเข้าจิไปประเทศใดป่านนี้เขามีเงินเขาก็ไปได้ทุกประเทศขันมีเงินหลายนะขันว่าเขามีเามีทุนหน่อยเขาก็ไปใสบ่ได้แล้วเขาก็ตกทุกไดยากไปใส่บ่ถึงไส่นไปนี่แหละบุญกุศลคือกันก็เปรียบเทียบว่าคือผู้มีเงินก็คือผู้มีบุญผู้มีบุญก็คือผู้มีเงินดวงใจที่มีเงินอพอเห็นผัวเข้ามาเลยมาสร้างสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ อาหารกายในอย่างหนึ่งนะ่ะพี่น้องลูกหลานนะ่ะอาหารใจในอย่างหนึ่งอาหารกาย น, นีนะ่คือเงินที่เขาแสวงหาปัจจัยสีนี่คือเงินแต่อาหารใจนะี่คือนะี่ยที่บุญกุศลคือนังสมาธิภาวนาไหวพระสวดมนต์บำเพ็ญคุณงามข้อดีให้หูจักสูงหูจักธรรมหูจักสิงสัมมาคารวะอ่เนี่แหละปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเนี่แหละนี่แหละล้วนแล้วแต่เป็นอาหารเขาสูจิตใจทั้งมดัด เออกัรนาวาเฮ้าบวเฮตเสียงที่ปั้นดีไหวนะเฮ้าจีพึงผ้าอาศัยไผ่เอาเอาพึ่งผ้าอาศัยห ย, ง า, า, ย, ยางล่ะเอ่อมหาตายไปแล่ะระลึกถึงความสวงก็มีแต่ตกนาลกมีแต่ไปทั้งบอดีทั้งนั้นล่ะเฮ้าระลึกถึงคุณนงามความดีพอนั้นกอนเฮ้าสีถึงจุดจบจุดนั้นให้พวกเฮ้าระลึกถึงบุญกุศลแล้ะไห้ไหวพระเสซนล้ะไห้นั่งพระวนาอย่างที่ว่านั่นนะ ในเมืองภาวน่าจิตใจสงบแล้วก็นัน่นล่ละทีนี้นํำบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจของพวกเฮานะาการกล่าวสัมโมทธนยกถาในมื้อนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอำนาจคุณภสษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลอนุภาพพ่อแม่คู่บาอาจารย์หลวงปูหลวงตา ทางหลายที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสขอให้มากคุม้มครองผพาลูกพาล้านน้องนุง่งทั้งหลายพี่น้องประชาชนทุกมูอเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกทุกท่านด้วยเถอด